ใส่แดดวิธีใส่เบ็ดเขาจะเล่าให้ฟังเล่าความชั่วให้ฟังนะบอกว่าถ้าเห็นไส้เดือนเนี่ยเขามานี่ขุดเป็นถังเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นเนี่ยนะเป็นทั้งถังเลยไส้เดือนเนี่ยนะเต็มถังเนี่ยนะก็ขุดเข้ามาสับๆๆๆใช่ไหมชิ้นละเท่ามักกะโรนีเนี่ยแถวๆนั้นนะก็มาเกี่ยวเบ็ดนะนะมาเกี่ยวเบ็ดแล้วก็เบ็ดนี่ยเป็นเป็นร้เป็นสิบคันเป็นร้อยคันแล้วแต่ว่า ว่าเบ็ดอะไรแต่โดยทั่วๆไปแล้วก็เป็น100ร้อยคันเนี่ยนะก็ใช้ไส้เดือนหลายร้อยตัวต่อวันแล้วก็ไม่ใช่วันเดียวด้วยววทีนี้ก็ไปนะก็ไปเกี่ยวกับเบ็ดเบ็ดมันก็งองใช่ไหมเขาตะขอเนี่ยใส่เบ็ดพอใส่เบ็ดเสร็จนะเราก็จะได้ปลาเช่นปลาหมอเนี่ยก็ติดเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็ปลาช่อนอันดับสามก็ปลาดุกเลยนะก็มีอยู่เท่านั้น่ปลาน Nam Jurd นะ <c oughs> ทีนี้พอได้มาแล้วก็เราไม่ได้ถือตะข้องไม่ได้ถือไรไปเนี่ยนะเราก็ไปดึงเอาย่ามาดึงเอาย่าแล้วก็มามัดมัดให้มันเป็นปมก่อนใช่ไหมแล้วก็ร้อยไปตามข้างหูมันร้อยหูร้อยหูปลาเนี่ยนะสังเกตไหมทางหูเนี่ยร้อยไปทางปากร้อยจากหูไปหาปากหรือเหงือกเนี่ยนะร้อยจากเหงือกไปหาปากแล้วก็ร้อยอย่างนี้เนี่ยร้อยไปถ้าวันไหนภ า, าษาอีสานเรียกหมานหน่อย หมายถึงว่ามันได้หลายตัวเนี่ยก็จะได้หลายๆแขวนหลายๆพวงเหมือนกันแต่เป็นพวงพวงหญ้าเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรเลยนะแต่พอหลังจากนั้นมันจะมีกลิ่นเหม็นทันทีเมื่อไปร้อยปลาเนี่ยถ้าร้อยไปจนถึงกับเก็บไว้ให้ปลามันเน่าอนะ่นะบางทีร้อยแล้วลืมใช่ไหมทิ้งปลาไว้ลืมเน่าทิ้งอะ่ะหญ้า น, นั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะเหม็นมากเลยข่าวมากเพราะรสมีปลาหนึ่งตัวตายเนี่ยนะมันจะส่งกลิ่นขาวไปเป็นหลายๆเม็ดเลยเห็นไหม มัน ญ, ญ่าที่ไปร้อยเนี่ยมันจะเหม็นขนาดไหนพอามาถ้าได้กลิ่นปลาหรือกลิ่นกบน่าจะไปไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ต้องทําเหตุให้ได้เลยแล้วก็ต้องพยายามไปตอนปล่อยปลาปล่อยกบก็ต้องนึกถึงกลิ่นตอนปล่อยไว้ให้ดีนะคิดถึงเปลี่ยนตอนฆ่าแล้วก็ลําบากใจแนะ่แต่หลายคนในที่นี้ก็ไม่ได้เป็นนักบุญมาจากไหนหรอก <c oughs> ก็ทําเหมือนกันนั่นแหละ จะรู้ตัวหรือตายอีกเรื่องนหรือเป็นนักบุญมากก็อนุโมทนาด้วยนะก็กโ็โหเป็นผู้มีบุญเก่ามากนะแต่ถ้าไม่มีบุญก็ดูก่อนผู้เป็นเช่นเรานะหาทางหนีเอถอะทาไหมหาทางหนีก็วังว่าคงไม่พบกันที่นั่นการคบคนเนี่ยนะมันมันเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยนะมันลามกันไปหมด เพราะความที่เราครบคนที่ทําปาณาติบาตเก่งเนี่ยนะเราก็จะมีฝีมือในการทําปาณาติบาตเหมือนกันนะเราครบเพื่อนที่รักทรัพย์เก่งเนี่ยนะมันจะบอกวิธีรักเราหมดเลยต้องขั้นตอนรักหนึ่งสองสามสี่มันจะบอกหมดแล้วเราก็มีพรสวรรค์ซะด้วยนะ <c oughs> ไม่นานเนี่ยเป็นเลยนะครั้งแรกเพื่อนสอนข้างหลังไม่ต้องเนี่ยนะเราเอ ง, องนั้นมันก็คนพาเนี่เป็นอย่างนั้นะค่อนข้างติดเชื้อกันเร็วมากเลยนะเชื้อนี่หนักละเอดอีก นาเอศมันก็ไม่ระ บ, บาดเท่าไหร่แต่ว่าความเป็นพา น, นติดกันมากมายมหาศาลเนี่ยนะติดกันจริงๆแล้วคนที่ติดมาข้างหลังก็ไม่มีทางรักษาหายด้วยนะติดกันหนับเลยเพราะฉะนั้นอกิติบัณฑิตนะนะขอพอรจากเท้าสักกะคือเท้าสกตะเขา อ, อนุญาตประทานพรให้แก่อกิติบัณฑิตอกิติบัณฑิตก็เลยขอขอขออย่างนี้ว่าไม่ควรครบคนพาน ไม่ควรฟังไม่คุยไม่ควรอยู่ร่วมกับคนพานไม่พึงทําการเจรจาปราศัยกับคนพานและไม่ควรชอบใจในคนพานเพราะฉะนั้นห่างได้ห่างเรียกว่าเห็นก็ไม่ต้องเห็นฟังก็ไม่ต้องฟังอย่าอยู่ร่วมกันมันดีที่สุดพูดคุยก็อย่าเด็ดขาดแม้กระทั่งนึกคิดอะไรขออย่าเราอย่าได้อยู่ร่วมประชุมกับคนพานนะประชุมทางความคิดก็ตามขอใมันห่างได้รอด้อยยอดพันโยอดไกลที่สุดเท่าทีจะได้ก็ดี ท้าวส ก, ก่าก็เลยสงสัยว่าท่านกษัตริยคนพานได้ทําอะไรให้แก่ท่านหรือคนพานนี่มาทําอะไรให้ท่านองนั้นท่านโปรดบอกเหตุมาเถอะเพราะเหไรท่านจึงไม่อยากเห็นคนพานคนอื่นเขาแก้ไปแล้วนะหนังสือคนที่มาสายก็ไม่ได้แก้ก็ไปตามแก้เอาคนหลังก็แล้วกันอกิติอักิติบัณฑิตก็ตอบท้าวส ก, ก่าไปว่าคนพานนี่มีปัญญาสามคนพานี้โง่จริงๆเลยอ่างนั้น ย่อมแนะนำข้อที่ไม่ควรแนะนำนะคนพาลเนี่ยถ้าจะสอนเรานะี่ยสอนในเรื่องไม่ควรสอนทั้งนั้นเลยนะย่อมไม่ประกอบไวในย่อมประกอบคนไว้ในกิจที่ไม่ใช่ทุระอะไรไม่ควรทำนะคนพาลจะบอกจะบอกให้ทาอย่างนั้นแหลนะการแนะนำของเขาถ้าเราจะแนะนำเขานะจะสอนเขากลับคืนก็สอนยากยากเพราะเขาถูกว่ากล่าวโดยดีก็โกรธคนพาล น, นั้นไม่รู้จักวินัย อะ น, นะไม่รู้จักสังวรวินัยไม่รู้จักปะหาหนะวินัยอะ น, นะไม่รู้จักสังวรห้าปะหาหนะห้าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการไม่เห็นเขาเสียได้เป็นการดีคนโง่นะเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาถ้าเขาคนพานนะถ้าเขาจะสอนเรานะแกต้องรู้จักโกรธเป็นซะบ้างสิรู้จักเอาซะบ้างสิเนหะ็นไหยแกนี่มันโง่นะ <c oughs> เคยเห็นคนทานด่าไหมนะนั่นแหละ ถ้าเขาจะสอนนะเขาจะสอนแบบนั้นนะคนพาลเนี่ยสอนให้โลภสอนให้โกรธสอนให้หลงแกนี่มันโง่ไม่รู้จักกินเหล้าอย่างเงี้ยนะเกิดมาเป็นคนเสียชาติเป็นต้นเนี่ยเวลาเขาสอนสอนให้เมาอย่างเงี้ยนะสอนให้ไปเที่ยวกลางคืนสอนในเรื่องที่ไม่ควรทั้งนั้นเลยทีนี้ถ้าใครไปแนะนําคนพาล น, นี่ยนะบอกเขาไม่ได้นะไปแนะนําเข้าคืนก็ไม่ได้เขารู้ไปหมดเนี่ยนะคุยอะไรก็รู้ไปทุกเรื่องเก่งไปทุกอย่าง นนถ้าจะแนะนํามีใครแนะนําก็โกรธแก้ถือดียังไงมาสอนฉันนะฉลาดไปหมดนะคนผ่านเพราะฉะนั้นสังวรวินัยก็ไม่รู้ปะหานะวินัยก็ไม่รู้กิตติบัณฑิตบอกโอ้ยไม่เห็นนี่มันประเสริฐสุดยอดสูงสุดแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นกระว่าขอไม่พบขอไม่ฟังขอไม่อยู่ร่วมขอไม่พูดคุยไม่ต้องมาชอบใจไม่ต้องมาคบหาสมาคมาอะไรกันโดยประการตั้งปวงอันนี้คือโทษของการครบคนผ่าน นำความเสียหายสารพันเสียหายเราลองมานึกดูนะว่าบาปทุกชนิดที่เราทำขึ้นเนี่ยเพราะครบอ่นะถ้าถ้าสิ่งที่เป็นบาปคือกรรมาบทสิบอากุศลกรรมบทสิบนะทุกอย่างที่เราเป็นนี่ได้รับการฝึกอ่นะได้รับการฝึกมาทั้งนั้นเลยถูกสอนมาทั้งนั้นนะนะแต่ทีนี้พอเขาสอนให้ครั้งแรกสองครั้งที่เหลือเราเก่งเองแล้วคนนี้เพราะชำนานมานานแล้วในะวัฏฏะสังสมมาเยอะและวิชาเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่ต้องนะ ความมาความที่เขาเขาแนะนําเรื่องทาหาปลาเนี่แหละเขาค่าอยู่ค่าปลาค่าพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยโอ้ถ้าอนาคตยาวๆหน่อยนะไม่รู้วางแผนวิธีเอาปลาขึ้นทั้งหนองเลยทํำยังไงเนี่ยนะเราก็คิดได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะว่าถ้าจะเอาปลาขึ้นทั้งบ่อเลยเนะี่ยทํำยังไงะแต่ก็ไม่มีได้แต่คิดนะนะไม่ประสบความสําเร็จเพราะยังไม่ได้ทําคือ คือมัวแต่จับทีละตัวสองตัวมันช้ามันไม่ทันใจเลยอ่ะก็เลยวิธีคิดเถ้อจะเอาปลาทั้งบ่อนี้ทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะก็แต่ว่ายังไม่ได้ทำไปเห็นที่อื่นที่อื่นที่เขาทำอยู่เขาก็ทำแบบที่เราคิดนั่นแหละเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่เคยไปแนะนำใครนะแต่ว่าสมัยนี้เขาก็มีวิธีการตกปลาแบบชนิดที่เรียกว่าทำยังไงจะจับปลาได้เร็วที่สุดมากที่สุดภายในระยะเวลาอันสั้น เ ก, ก็มีวิชาที่มาถ่ายทอดกันเจ้ากรรมเอ้ยใครรับเป็นอาจารย์สอนวิชานี้ก็มรดกบาปไปเถอะเนี่ยนะเนี่ยนะก็จะเป็นผู้ที่มีมรดกบาปไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะแล้วก็ถึงกับขนาดผลิตอาวุธแจกจ่ายเข้าไปด้วยแล้วก็โทษของวัตตะจริงๆเนี่ยนะวัตตะทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่อายุสั้นจึงจึงมากใช่ไหม เพราะอาทินนาทานเนี่ยมันมีมากสัตว์ทั้งหลายจึงกันดานในมหาพูทเนี่ยนะเดือดร้อนในมหาพูทจริงๆเรื่องปัจจัยสี่นี่มันก็คือมหาพูทที่มันได้รับกรรมวิธีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาจังไหมทุกเรื่องในโลกนี่ถ้าคนนั้นหมดบุญมหาพูทพร้อมที่จะเสียหายหมดเลยอยกตัวอย่างเหมือนกับว่าถ้าผู้การหมดบุญนะสมมุตินะอันนี้พูดนะตอนนี้คือพูดตอนมีบุญนะเนี่ยหลังที่เราเห็นนะปลวกกินหมดเลย ยุบภายในไม่กี่นาทีเนี่ยนะเดี๋ยวพัดเพลิงมาเผาน้ํามาท่วมเดี๋ยวอะไรมาพร้อมที่จะพร้อมที่จะโวดวายภายในไม่กี่นาทีแต่ตอนนี้แกมีบุญดีก็เลยยังอยู่ได้เราก็เลยอาศัยฟังธรรมได้เลยนะเนี<ๆ>่ยนะเพราะทุกอย่างเนี่เป็นของคนมีบุญจริงๆตัดใจสีที่มันดีๆนะอย่างรถคันงามๆสวยๆหรูเลยเนี่ยออกไปแล้วโครมกลับมาเป็นเศษเหล็กกลับมาจะไปทําหมดบุญเนี่ยนะถ้ามีบุญเนี่ยใช้ไปอีกนอนเนี่ย ถ้าหมดบุญออกยังได้ไม่กี่วันเนี่ยนะป้ายแดงยังอยู่เลยอะ่ะหมดตัวไปแล้วอย่างงี้ยนะก็ถ้าเข้ากรุงเทพทีไรนะถ้าโยมแท็กซี่เขาเปิดไอ้จอสจสร้อยหรืออะไรนะร่วมด้วยช่วยกันทั้งหลายแหละเดี๋ยวก็แจ้งรถท้ายบ้างเดี๋ยวก็อะไรบ้างอนะได้ยินนะนั่นแหละหมดบุญมันเป็นอย่างนั้นแหละจอดทิ้งไว้แป๊ะเดียวเนี่ยนะพร้อมที่จะหมดเลยนะร่างกายของเราเชื่อไหมถ้าหมดบุญนะเก้าอี้จะนั่งอยู่ไม่ได้เลยเคยเห็นตกเก้าอี้ต่อหน้าต่อตาบ้างหรือเปล่า อ๋อมานี่เห็นแล้วไม่ใช่ในหนังนะเห็นจริงๆเลยนะกล่าวว่าตกลงจากเก้าอี้ต่อหน้าต่อตาเลยแหละเห็นไหมของเรานี่นั่งสูงเลยอดตกเจ็บมากเลยนะั่นก็บาปทั้งหลายนี่นะมีคนพานเป็นต้นเหตุมีคนพานเป็นปัจจัยเพนั้นก็ปัญหาสําคัญก็คือเราก็ชวนเราไปทําชั่วสิตรงนี้แหละไม่รู้ว่าใครเป็นพานกันแน่นะมันบอกว่า มันบอกว่ายังไงนะั่งนะมันกระซิบใจตัวเองไปทําบาปมันบอกว่ายังไงไม่เป็นไรนะักคนอื่นเ้าก็ทํากันทั่วไปนี่นะเราโอ้มีวิธีกล่อมกล่าวตัวเองให้ทําบาปได้นานที่สุดมากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องออกไม่เป็นไรเนี่ยนะอย่างอะไรนะอย่างเขาเลี้ยงสัตว์เพื่อจะฆ่าเนี่ยนะเขาก็เลี้ยงเยอะอนะก็บอกว่าเอา้าทําไมคุณเลี้ยงสัตว์เพื่อการฆ่าอย่างนั้นละ่ะโอ้ยของเราทํายังไงเราก็สู้ซีพีไม่ได้หรอกระวงังกัน เขามีวิธีคิดนะก็มาเบรียบกับคนที่มันทํามากที่สุดนะ น, นะเพราะฉะนั้นของเราก็เลยไม่เป็นอะไรเราก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยมันฉลาดคิดมากจนตัวเองเลิกไม่ได้อะ <c oughs> สรุปว่าเยียวยาวไม่ขึ้นว่างั้นเถอะ <c oughs> นี่มาดูมงคลข้อข้อที่สองนะอันนี้มงคลข้อแรกผ่านตายว่าายเอไม่ควรครบคนพ่านโดยประการทั้งปวง เพราะว่าสร้างความเสียหายให้โดยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเป็นที่อื่นท่านยกตัวอย่างเลยนะว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะมีอุปนิสัยแห่งโซดาปฏิผลอยู่ในมือครบพระเทวทัตฆ่าพระเจ้าพิมพิสารจนสำเร็จไม่ได้เป็นพระโซดาบันเนี่ยนะควรจะบรรลุโซดาบันเลยนะไม่ได้เป็นพระสุทินเนี่ยนะพระสุทินก็มีอุปนิสัยมรรคผลแต่คบแม่ผู้เป็นคนพาณ แม่เนี่ยนะเป็นคนพานเนี่ยก็เลยไม่ได้บรรลุมรดผลแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะอย่างพระองค์ุลิมาเนี่ยตอนก่อนเนี่ยท่านก็ชื่อว่าหิงสกะใช่ไหมผู้ไม่เบียดเบียนตอนหลังก็ไปครบอาจารย์ผู้เป็นคนพานใช้ให้ไปฆ่าอย่างมากนเนี่ยนะก็หลายๆคนเนี่ยอย่างเกิดมาเป็นคนอัธยาศัยดีมากไปเรียนสาขาบางวิชาเข้าโอ๊ย okay. ทำบาปบานเลยนะแล้วก็เอ้ยพูดมาเดี๋ยวก็เทือนใจเขามาดูคบบันดิตดีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงตีเตียนการครบคนพานโดยประการทั้งปวงอย่างนี้จึงตรัสว่าการไม่คบคนพานเป็นมงคลบัดนี้เมื่อทรงสรรเสริญการครบบัณฑิตจึงตรัสว่าการครบบันดิตเป็นมงคลสัตว์ทุก ป, ประเภทผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิบมีเจตนางดเวนปานาติบาเป็นต้นชื่อว่าเป็นบัณฑิต คนขอมาก็ได้ครบบัณฑิตเยอะนะเนี่ยมากเลยนะนี่ยสี่ห้าสินี่ก็ได้ครบบัณฑิตแล้วนะก็เป็นมงคลแน่นะนะวันนี้ได้มงคลนะครบบัณฑิตบัณฑิตเหล่านั้นจะพึงรู้ได้ก็ด้วยอาการสามอย่างเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายบัณฑิตลักษณะคือลักษณะของบัณฑิตสมอย่างสามอย่างเป็นไฉนะบัณฑิตถ้าจะคิดก็คิดแต่สิ่งที่ดีถ้าจะพูดก็พูดดีถ้าจะทําก็คิดทําดี เพราะลักษณะของบัณฑิตเนี่ยไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นต้นเนี่ยนะถ้าจะกล่าวตามอันนั้นเรียกว่ากล่าวแบบสภาวะอั น, นอไว้วัดทั่วทไปแต่ถ้ากล่าวโดยบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระมหาสาวก80รูปพระสาวกอื่นของพระตถาคตอันนี้หมายถึงในพระาศาสนาเนี่ยนะหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจก พระสาวกผู้ใหญ่สมัยพุทธ ก, กาลนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ศีล ท, ทั้งหลายควรเคารพควรเกี่ยวข้องคบหาสมาคมแต่ถ้าเป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็คือสุเนศศาสดามหาโควินทศ า, าสดาวิทูลบัณฑิตสรพังขาดาบทมโหสถบัณฑิตสุตโสมบัณฑิตพระเจ้านิมิราชอโยคากุมารและอกิติบัณฑิตเป็นต้นทราบว่าเป็นบัณฑิต รายชื่อเหล่านี้นะตั้งแต่สุเนตศาสดาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้อยู่ในชาดกนะก็ดูในชาดกเอาโดยเฉพาะมหาโควินโควินทะเนี่ยนะก็ในชาดกวิทูนบัณฑิตก็วิทูนชาดกสรพังคาชาดกมโหสถชาดกเหหรือว่าสุตโสมชาดกนิมิราชชาดกอโยคระชาดกอากิติชาดกเป็นต้นนะก็ยังมีหัตถิปาระชาดก มีอีกหลายชาดกด้วยกันก็ถ้าจะกล่าวให้ตรงๆก็พระโพธิสัตว์นั่นแหละสมัยที่ท่านบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านนั้นก็เป็นบัณฑิตบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้สามารถกําจัดภัยภัยก็คือสิ่งที่น่ากลัวนะกำจัดอุ ป, ปัตถวะคืออุบาทอุบาทแปลเป็นไท ย, ไทยว่าอะไรสิ่งที่เสียหายสารพันเนี่ยนะหรือว่าอุปสรรคได้ทุกอย่างแก่พวกที่ทําตามคําของตน เรียว่าปัญหาทุกเรื่องนะถ้าให้บัณฑิตแก้ให้เนี่ยปัญหานั้นจะแก้ได้ในในที่สุดคลี่คลายได้ในที่สุดประหนึ่งป้องกันเอาไว้ในเวลามีภัยแปลว่าเหมือนช่วยป้องกัน ร, รักษาในคราวมีภัยเหมือนดวงประทีปในเวลามืดเหมือนได้ข้าวได้น้ําเป็นต้นในเวลา ถูกความหิวอดอยากหิวโหยครอบงำเนี่ยนะท่านคนทานเออเข้าบัณฑิตนี้เปรียบเหมือนแสงสว่างใช่ไหมเปรียบเหมือนอาหารเปรียบเหมือนยาเนี่ยนะจริงอย่างนั้นอาศัยพระตถาคตเทวดาและมนุษย์นับไม่ถ้วนประมาณไม่ได้พากันบรรลุธรรมเป็นที่สิน้นอาสวะดำรงอยู่ในพรหมโลกดำรงอยู่ในเทวโลกเกิดในสุขติโลก ยกตัวอย่างเช่นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์แล้วบรรลุเป็นผ้ารหันหาประมาณไม่ได้นนะถ้าโสดาบันทัศกะธาคามีพระนาคามีก็หาไม่ได้หรือพวกที่เกิดในพรหมโลกเพราะปฏิบัติตามคำสอนก็มากเหลือประมาณหรือเกิดในสุขติโลกสวรรค์หรือมาเกิดเป็นมนุษย์อ น, นะอันนี้สำหรับพระพุทธเจ้านะส่วนาษาบุตรล่ะ ตระกูล8ปดห 0,000 ื่นตระกูลทำจิตให้เลื่อมสายในภาษารียบุตรและบำรงพระเถระด้วยปัจจัยสี่ก็บังเกิดในสวรรค์ตระกูลทั้งหลายทำจิตให้เลื่อมสายในพระมหาสาวกทั้งปวงนับตั้งแต่พระมหาโมคลานะพระมหากสปะเป็นต้นนะพระอนุรธธุทธะพระกัจจยนะพระอนนท์เหล่านี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยมีผู้นับถือเป็นตระหมืน่นหมื่นตระกูลเลยแหละอันนี้พูดถึงในในพระาศาสนาของของเราอะนะ จริงๆถ้าเราศึกษาประวัติของบุคคลต่างๆพระภิกษุทั้งหลายที่ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์หาประมาณไม่ได้ถ้าหากว่าสมัยก่อนพุทธกาลเช่นสุเนศศาสดานะผู้ที่ฟังคำสอนของท่านสุเนศบางพวกก็เกิดในพรห ม, มโลกบางพวกก็เกิดในสวรรค์ชั้นปรนิ ม, มิตสวัสดีก็ลดลงมาเรื่อยๆมาอยู่ชั้นนิ ม, มานรดีหรือดุสิ ยามาดาวดึงจาตุ้มหรือแม้กระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็เครือบดีมห า, าศาลกษัตริย์มหาศาลพราหมหาศาลเป็นต้นแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายไม่มีภัยจากบัณฑิตไม่มีอุบาทจากบัณฑิตไม่มีอุปสรรคจากบัณฑิตแต่จากว่าเหตุเนี่ยเดียวกันเห็นคําว่าจากหรือคําว่าแต่ก็ไม่ต่างกัน อันหนึ่งบรรฑิตนั้นเสมือนของหอมมีกลษณนาและดอกไม้เป็นต้นคนผู้นับถือบรรดิตก็เสมือนห่อด้วยใบไม้ที่ห่อของหอมมีกฤษณนาและดอกไม้เป็นต้นยังประสบภาวะที่วิญยูชนชมเชยและพอใจเนี่ยก็กระป๋องใสน้าหอมนี่หอมหมหอมเนี่ยนะพลาสติกใส่ของหอมยังหอมเลยนยบรรดิตก็ลักษณะนั้นพระองค์จึงตรัสไว้ว่า น, นรชน ผู้ใดหอกลิณนาไว้ด้วยใบไม้แม้ใบไม้ของนรชนนั้นก็ส่งกลิ่นหอมฟุง้งการคบบัณดิตก็เหมือนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเท้าสั ก, กะเนี่ยนะที่ท่านอากิติดาบทได้ขอพรว่าควรพบคนบัญควรพบบัณดิตควรฟังบัณดิตควรอยู่ร่วมกับบัณดิตควรทาการสนทนาปราัยกับบัณฑิตและควรชอบใจบัณดิตนั้น ทีนี้ท้าวสากาก็เลยถามว่าท่านกัสปะบัณฑิตทำอะไรให้แก่ท่านหรือหนาท่านโปรดบอกเหตุมาเถอะเพราะเหตุไรท่านจึงอยากจะพบบัณฑิตนะท่านกัสปะทำไมเนอะบัณฑิตน้ดียังไงมันบัณฑิตก็เอ่ออากิติดาบทก็เลยบอกว่าบัณฑิตย่อมแนะนำในเรื่องที่ควรแนะนำไม่จูงคนไปในกิจที่ไม่ใช่ธุระแนะนำเขาก็ง่ายหมายความว่าถ้าจะสอนบัณฑิตนะัก็สอนไม่ยาก เพราะเขาถูกว่ากล่าวโดยดีก็ไม่โกรธถ้าสอนถูกต้องก็ไม่เครียดเลยนะบัณฑิตนั้นรู้วินยัยคือทั้งสังวรวินยัยปฐหานวินัยเนี่ยนะสมาคมกับบัณฑิตได้นั้นเป็นการดีนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะสรรเสริญบัณฑิตโดยทําทั้งปวงอย่างนี้จึงตรัสว่าการคบบัณฑิตนั้นเป็น มงคลเนี่ยนะเป็นความดีเป็นความเยี่ยมเป็นการประเสริฐอย่างแท้จริงเนี่ยนะด้วยการควบบัณฑิตทีนี้ผู้การเล่าให้ฟังนะว่าเวลาไปกรุงเทพหลายครั้งเนี่ยกรุงเทพผู้การเนี่ยแทบไม่ขาบเลยเนะเว้นไว้แต่เกิดอะไรขัดข้องทางเทคนิคบางอย่างเลยไปไม่ทันนีนะก็จะเข้ากรุงเทพไปเพื่อจะเรียนร่วมกับบัณฑิตกรุงเทพเนี่ยนะผู้การคิดยังไงว่าจึงได้ไปเรียนกับบัณฑิตกลุ่มกรุงเทพเนี่เห็นว่า ก็คิดถึงประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วครับและประโยชน์ที่สุดนะครับไปทุกข์คลีอยู่กับผู้ที่มีปัญญามีศรัทธามีความเพียรแล้วมันเพลินนะไม่ว่าจะพูดสังเวชวัตถุใดท่านก็รับได้อย่างดีนะท่านะนะท่านก็เห็นด้วยนะฮะซึ่งผิดกับบางแห่งที่เราพูดถึงสังเวชวัตถุแล้วก็เขาก็ไม่เอออบอกด้วยเราก็เงียบอะไรเงี้ยนะ ท่านทั้งหลายคงจะเคยแล้วใช่ไหมครับนะบางกลุ่มเ้วเข้าไปนะพูดไม่ได้เลยนะครับพูดแล้วก็บอกเอ้ย น, นี่มันเกินไปแล้วเพี้ยนไปละมั่งปานี้น ะ, นะนะนะก็เห็นประโยชน์อันนี้ครับจึงได้ไปร่วมกับท่านด้วยใจจริงนะครับไม่ใช่ว่าจะแกล้งพูดนะครับได้มีพักตั้งหน่อยเนดะนนี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะใช่ไหม